Thank <laughs> you. นเย็นก็ได้ต้องข้อสังเกตว่าพระพุทธองค์เมื่อทรงแนะนำสั่งสอนภาษาวกในบางกรณีก็สอนไม่เหมือนกันถึงขั้นตรงข้ามกันเลยก็มีเช่นบางท่านพระองค์ก็เคี่ยวเข็นให้ทงความเพียรเยอะๆแต่บางท่านพระองค์ก็พูดให้หย่อนความเพียรลงบ้าง หลายท่านนั่นก็กระตุ้นให้เคร่งคัดในพระวินัยแต่บางท่านท่านก็แนะนำให้ถือวินัยข้อเดียวนะห้ข้ออื่นไม่ต้องสนใจอันนี้ก็เช่นเดียวกับครูบาอาจารย์หลายท่านอย่างลุปูมั่นเห็นลูกศิษย์ป่วยจะมาขอยาท่านก็ตำหนินะว่า จะเอายาเป็นที่พึ่งเหรอนะจะนับถือาศาสนายาหรือนับถือาศาสนาพุทธนะแต่ลูกศิษย์บางท่านพอป่วยไม่ฉันยาท่านก็เรื่องมาตาหนิว่ายามีทำไมไม่ฉันทำไมทำตัวเป็นคนเรื่องยาแบบนีนะ้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่คงเส้นคงวาของท่านนะแต่ที่จริงก็มีเหตุผลนะ เพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันอันที่อยากต้องข้อสังเกตประการหนึ่งว่าพระพุทธองค์เนี่ยบ่อยครั้งนะท่านกระมวงอะไรเนี่ยในลักษณะที่สมัยใหม่เรียว่ามองลบงเช่นการมาสุขหรือว่าสุขจากรูปรลกกินเสียงสัมผัสเนี่ยพระองค์ก็บอกว่ามันเจือไม่ได้โทษนะเหมือนของร้อน ไม่ทำให้มีความสุขเปลี่ยนเหมือนกับคบไฟที่ทำด้วยญ้าแห้งถ้าจุดแล้วเนี่ยมันก็ให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าควันก็เยอะนะทำให้แสบตามีนํำซ้ำพอไฟนั้นไหมไหมลงมาเรื่อยๆถ้าไม่ทิ้งให้ทันเวลาไฟนั้นก็จะไหมมือเอานะท่านก็ชี้นะว่าอย่างเช่นโลกธรรมเนี่ยนะ ลาบยสุขสารเสริญพวกนี้อย่าไปอย่าไปหลงไหลได้เปื้อนกับมันนะเพราะว่ามันก็แฝงไปได้วยโทษโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันเจอไปได้วยทุกมันให้ถูกชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานหรือว่าไอรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ใครๆหลงว่าสวยงามพระองค์ก็เชียเห็นถึงความไม่งาม มันเต็มไปด้วยสิ่งไม่ไ ม, ไม่สะอาดสิ่งสกรปรกนะแต่แต่ผิวพันธุ์ที่ตกแต่งอย่างดีนะก็ไม่ต่างจากถุงที่เต็มไปด้วยคูดนะความรักก็เหมือนกันความรักนี้มันเจอไปด้วยโทุกเหมือนกันนะมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูด่ดูเนะี่ยท่านก็เคยพูดนะว่าเนี่ย รวยกับซวยเนี่ยมันใกล้กันไม่ใช่เขียนคล้ายกันนะแต่ว่าผลนะต่อชีวิตจิตใจก็คล้ายกันด้วยก็คือว่าต้องเหนื่อยในการแสวงหาไม่ได้ผิดหวังก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ต้องเหนื่อยในการรักษากลัวคนขโมยเกิดความวิตกกังวลขั้นมันสูญไปเสียไปเสื่อมไปก็ทุกข์อีก ที่จริงต้องเพิ่มต่อไปว่าถึงแม้มันไม่เสือ่อมไม่เสียไม่หายมันยังคงที่แต่ว่านานไปนานไปเราก็ชักเบื่ออยากได้เพิ่มของเดิมที่มีอยู่ไม่พอใจละเบื่ออยากได้อีกอยากได้ใหม่อยากได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่เป็นโทรศัพท์มือถือรถยนต์บ้านหรือเงินทอง อันนี้ก็เป็นการถ้าพูดรวมๆคือมองลบนะมองว่าไอสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี่มันเจอไปได้โทษอย่างไรบ้างแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็มองบวกในหลายเรื่องนะเช่นอะไรบ้างเช่นว่า เ, าเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วยก็อย่าไปกลุ่มอกกุ่มใจอย่าไปอ้างเป็นเหตุให้เกียดคร้านนะ ให้มองว่าเนี่ยยังดีนะที่เราไม่ป่วยหนักกว่านีนะ้ต่อไปต้องป่วยหนักกว่านี้ก็จะทําความเพียรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยป่วยแค่นี้เนี่ยนะให้ต้องเร่งทําความเพียรหรือเวลาชันเนี่ยไปเรียนทบาศไม่ได้อะไรมันเลยก็ให้มองว่าเออดีนะมันทําให้อ่าสังขารโปร่งเบาเหมาะกับการทําความเพียร คือไม่ว่าเจออะไรเนะี่ยท่านก็แม้จะเป็นทุกข์นะตามสายตาของชาวโลกนะแต่พระองค์ก็ได้ให้มองความเป็นบวกแม้กระทั่งความทุกข์ที่เราเจอที่เรียกว่า เ, เกิดแก่เจ็บตายประสบกับสิ่งที่ไม่รักพผ่าจากสิ่งที่รักความโศกความขับแค้นทุกทรมนัดเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะพิจารณามันนะ มันก็ทําให้เห็นทางออกจากทุกข์ได้พระงจึงตัดว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะไม่ต้องไม่ใช่สิ่งที่ผักใสไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดออกไปนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้คือปริญญาท่านใช้ว่าปริญญาก็แปลว่าพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็กลายเป็นของดีขึ้นมาได้สมัยหนึ่งนะมีพระรูปหนึ่งชื่อว่ า, าพระปุณนะจะมาทูลลาเพื่อ กลับไปเมืองสุนาปันตากุจาก็ทักว่าคนสุนาปันตานี่เขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่า ân, ท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณธก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีอุจาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาออ ก, ก้อ น, ห, น, ออกกอนหินมาคว้างแล้วเขาถ้าก้อนหินมาคว้างล่ะท่านจะคิดอย่างไร ก็เคก็อยูมาคว้างก็ดีกว่าที่ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดผูเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรพระคุณนาคก็ตอบว่าเข้าไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงผูเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรพระคุณธนาค์ตอบว่าเขาาของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายผู้เจ้าก็เลยถามเป็นคำามสุดท้ายว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไร เขาหน้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามาหาศาสตรามาหรือไม่ต้องไปจ้างคนมาฆ่าตนให้ตายแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธ์ว่าก็ดีนะก็คือไม่เหนื่อยพนระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานะแล้วก็อนุ ญ, ญาตให้พระปุณณนับกลับไปเมืองสุนับปันต์ได้ไม่ช้าไม่นานนะคนสุนับปันต์ก็หันมาสมาธาิพุทธศาสนา แก็ตัวพระปุณะตอนหลังก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าถึงแม้ไม่ใช่ออกมาจากปากของหรือพระโอษฐ์ของผู้เจ้าเองเนี่ยแต่ว่าทรงรับรองสิ่งที่พระปุณะพูดสิ่งที่พระปุณะพูดก็คือมองบวกนั่นเองคือมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะก็ดีทั้งนั้นดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเพื่อเชื่อเห็นว่าขณะที่พระเจ้านี่มองลบในหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของการมาสุข เรื่องของสังขารแต่ว่าในด้านหนึ่งพระองค์ก็มองบวกคนก็จะสงสัยว่าทำไมผู้เจ้านี่เอาไงกันแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมองลบเดี๋ยวมองบวกที่จริงไม่ได้ขัดแย้งกันนะผู้เจ้าใมองลบในเรื่องที่คนเนี่ยชื่นชมสรรเสริญหรือเห็นแต่บวกเช่นรูปลสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจหรือว่าโลกธรรมฝ่ายบวก หรือการมาสุขเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาชื่นชมสารเสริญอยากได้นะผู้เจ้าก็เลยชี้ให้เห็นอีกแง่หนึงว่ามันเป็นลบน้ำเป็นโทษนะมันทำให้ทุกข์นะแต่ไอสิ่งที่คนรังเกียจคนไม่ชอบนะผลักใสพผู้เจ้าก็เชียร์ก็เห็นว่ามันก็มีข้อดีนะนะต้องรู้จักเอามาใช้ทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ มีจุดมุ่งหมายเดียวคือเพื่อให้คนไม่ทุกข์พงงชี้ให้เห็นถึงโทษของการมสุขของสิ่งที่โลกสรรเสริญลาบสักการะก็เพราะว่าถ้าไม่ถ้าคนไม่ไม่เฉลียวใจว่ามันมีโทษเนี่ยก็จะไปยึดมั่นถือมั่นหลงสยบในสิ่งนั้นซึ่งก็จะทำให้เกิดทุกข์ตามมาทุกข์ทั้งการ ดินรนขวนขวายหามาทุกทั้งที่เกิดจากการรักษามันเอาไว้และทุกที่เกิดจากการที่มีแล้วอยากได้มากอยากได้เพิ่มอีกแล้วไม่ต้องพูดถึงทุกที่เกิดจากการที่เสื่อมเสียที่มันเสื่อมหรือว่าเสียมันไปพร่งชี้เพื่อให้คนเนี่ยไม่ไม่ไปหลงไม่ไปหลงติดมันเหมือนกับว่าไม่หลงเหยื่อมีพรานามีชาว ประมงนี่เขาก็จับปลานะเขาก็เอาเหยื่อนะมาล่อปลาเขาก็เอาสิ่งที่มันอร็จอร่อยสำหรับปลาเนะเช่นนอนเนี่ยอันนี้ปลาเนี่ยพอมันเห็นนอนเนี่ยนะหรือมแมลงก็ตามเนี่ยมันก็ตรงเข้าเลยตรงเข้าใส่แล้วทำยังไงมันก็คุบนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือโดนเบ็ดทิ่มปากเอา ถูกจับได้นะนะแล้วก็ตายนะเพราะว่ากลายเป็นอาหารของอมนุษย์ไปไอเหยื่อที่ชาวประมงเอามาล่อเนี่ยนะก็เหมือนกามสุขนะส่วนปลานี่ก็เหมือนคนทั่วไปที่ยังหลงติดในกามสุขหลงตั้งรับสักการะสิ่งที่พระองค์ทำคือชี้เห็นว่าในเหยื่อเนี่ยมันมีมันมีแบ็ดซ่อนอยู่นะระวังนะ น, นี้คนฉลาดก็จะฟังนะก็จะไม่รีดข้อหาหนอนหรือว่ามแมลงที่ชาวบ้านเอามาเป็นเหยื่อแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าทนไม่ไหวทนทนแรงย่าโยนของมันไม่ไหวนะปลาเนี่ยมันเจอมันเจอเหยื่อมันก็อยากจะกินนะ สุดท้ายมันก็ต้องเจ็บต้องปวดแล้วถึงตายที่พงพูดเนี่ยถึงด้านลบของสิ่งต่างๆที่ผู้คนชื่นชมสรรเสริญเนี่ยก็เพื่อจะได้ไม่ไปหลงมัวเมานะเวลาจะกินเหยื่อก็ให้กินอย่างฉลาดนะเหมือนกับที่เคยพูดว่าเนี่ยถ้ากินปลาเนี่ยปลามันก็มีมีกางคนที่ไม่คนที่ไม่เฉลีวใจเห็นปลานี่ก็อุอร่อยก็เคี้ยวเลย ก็จะโดนก้างต่ําคอแต่ถ้าคนที่เขารู้ว่าในปราที่มีก้างนะเ้าก็จะเคี้ยวอย่างฉลาดนะก็คือเคี้ยวแต่ว่าไม่ไม่มู ม, มามก้างก็ไม่ต่ําคออันนี้ก็เปรียบได้กับภา ร, ริยเจ้าหรือพระราหันธ์นะท่านก็ยังเกี่ยวข้องกับการมาสุขอยู่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะท่านยังเกี่ยวอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดติดเพราะว่าท่านเห็นโทษอย่างพระสิวลีนี่ท่านก็มี มีลาบสักการะเยอะท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเอตทัคคะด้านการเป็นผู้มีลาบแต่ว่าท่านก็ไม่ติดในลาบเลยลาบสักการะทําอะไรท่านไม่ได้ท่านท่านเป็นนายเหนือมันเพราะว่าท่านเห็นโทษของมันแล้วก็ก็เลยไม่ยึดติดถือมัน่นเวลาจะคลองกิวอีเวลาจะฉันอาหารประณีท่านก็ไม่ได้ติดนะอันนี้หมายถึงพระอรหันต์หรือพริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็ฉันโดยที่ไม่ติดนะ ถามว่าฉันและอร่อยไหมท่านก็รู้ว่าอร่อยแต่เป็นการอร่อยตามสมมุติของชาวโลกแต่ว่าใจไม่ได้เคลิ้มคลอยไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านปฏิเสธนะก็ยังอยู่กับยังอยู่กับกางแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ติดในกลางอย่างที่พระเจ้าตรัสอย่างที่พระเจ้าคุณพมคุณนาพรนั่นสรุปคุณลักษณะหรือสภาวะจิตของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ว, ว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลก แต่ว่าอยู่ในโลกแต่ว่าใจาเหนือโลกนะยังเกี่ยวข้องกับการมาคุณนะแต่ว่าใจไม่ยึดติดใครถวายจีวรที่ประณีตนะถ้าเหมาะสมสมควรท่านก็ครองใครถวายอาหารที่ประนีตนะท่านก็ฉันนะแต่ว่าใจไม่ได้ติดเพราะเห็นโทษของมันเห็นโทษความยึดติดนะอันนี้เรากินปลานะแต่ว่าก้างเนี่ยไม่ตาคอ หรือว่ากินเหยื่อแต่ว่าเบ็ดเนี่ยมันไม่แทงปากนะแต่คนสยา่ไม่เป็นเช่นนั้ น, นอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมพูะเจ้าถึงพูดถึงมองลบนะสำหรับสิ่งที่ผู้คนชื่นชมสรรเสริญอย่างมีคาหนึ่งเทวดาพูดว่าเนี่ยมีโคก็สุขเพราะโคมีลูกก็สุขเพราะลูกนะพูะเจ้าก็พูดอีกอย่างอีกอีกแง่หนึงว่ามีโคก็ทุกข์เพราะโค มีลูกก็ทุกพะลูกนี่เรียกมองลบนะแต่มองลบเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดในลูกในโครหรือว่าในทรัพย์แล้วพอยึดนั้นมันทุกข์นะเดีย๋ยวนี้แม่หลายคนพ่อหลายคนนี่เป็นทุกข์มากเพราะลูกตอนที่ลูกคลอดเรา ก, ก็ดีใจนะโอ้สวรรค์นะพระเจ้าประทานลูกมาให้แต่พอลูกเป็นวัยรุ่นหรือบางทีไม่ทันวัยรุ่นนะ สิบสองสิบสามเนี่ยพ่อแม่จะคลั่งให้ได้เลยเพราะว่าลูกนี่มันไม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เถียงแม่ทะเลาะ ก, กับแม่จนแม่ร้องห่มร้องไหนะ้นบางคนแม่อยากจะแม่บางคนก็อยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้เนะี่ยหรือบางทีก็ทะเลาะ ก, กับลูกทะเลาะไปทะเลาะมาก็ลงมือก็มาเสียใจนะว่าไม่น่าทําลูกอย่างนั้นเลย อันเนี้ยที่ตรงที่พเจ้าตรัสว่าเนี่ยมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมันในลูกนะมันก็ไม่ทุกข์มากนะมีคนที่เขาอาเขาเลี้ยงลูกมาเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการนะลูกก็ถ้าลูกเติบโตในวิธีทางของเขาพ่อแม่ก็สบายใจแล้วไม่เห็นเป็นต้องเรียนเก่งไม่เป็นต้องสอบเข้าวมาหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งก็ได้นะ ลูกอยากจะเป็นศิลปินนะลูกไม่อยากเรียนหมออ๋อก็ได้นี่ถ้าไม่คาดหวังลูกนะว่าจะต้องเป็นอย่างที่ตัวคิดเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์หรอกแต่เพราะความยึดมั่นถือมั่นเองคราวนี้เวลาพูะเจ้าพูดบมองบวกนะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์อ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหมายเดียวกันนะก็เพื่อเื่อจะได้ใจไม่ทุกข์นะเวลาเจ็บเวลาป่วย <c oughs> เวลาถูกต่อว่าด่าทอนะเวลา ประสบความสูญเสียพัดพรากนะพระองค์ก็เชื่อเห็นว่าเออเนี่ยนะมันก็สอนทําให้กับเรานะนอย่างก็มีหลายท่านนะท่านบรรลุธรรมก็เพราะความสูญเสียนี่แหละสูญเสียลูกนะสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักหรือว่าเจ็บป่วยก็สามารถจะมองให้เห็นถึงอ่านะ ให้เห็นธรรมนะจากสภาวะอย่างนั้นซึ่งเราเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบนะโลกธรรมฝ่ายลบนะก็คือเสียลาบนะเสื่อมยศนะดินทาแล้วก็ทุกมันก็มีประโยชน์นะที่เราต้องรู้จักมองเี่ถ้าเราฉลาดนะในการมองอย่างที่พระเจ้าได้แนะนำเนี่ยนะก็คือว่าอะไรที่คนสรรเสริญชื่นชมแล้วก็ เราก็รู้จักมองลบบ้างนะไม่จะเห็นแต่บวกอะไรก็ตามที่คนเขาไม่ชอบพอเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็มองว่าเออมันมีบวกนะมันก็ทำให้เราไม่หลงนะในในโลกแล้วก็ไม่จมในทุกข์พระเจ้าเคยตรัสนะกับพระนันทิยะว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิกแก่ผู้ไม่พิจารณาผลแห่งความดีก็ได้แก่อะไรก็หมายถึงว่า ควชื่นชมสารเสริญนะราบสักการะที่ตามมารวมทั้งความสําเร็จด้วยความดีในที่นี้นี่ก็หมายถึงความดีทางธรรมะรวมทั้งความขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งประสบความสําเร็จน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ยอมยอบนับทําให้เกิดผลคําสารเสริญคำชื่นชม หรือว่าถ้าเป็นดาราก็มีเลตติ้งสูงไปที่ไหนคนก็ทักคนก็ขอถ่ายรูปเนี่ยอันนี้เรียกว่ า, าชื่อเสียงักการะนะผู้เจ้าบอกเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้มาพิจารณาพิจารณาอะไรก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์กับผู้ที่ยึดติดถือมั่นนะเหมือนกับทาน แดงๆเนี่ยถ้าเราไปจับมันก็เอาไว้ก็เจ็บก็ปวดเหมือนก้อนหินที่เราไปแบกมันเอาไว้มันก็หนักงั้นทำไมพิจารณาก็ไปยึดมันมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมาเป็นพิษต่อจิตใจของเราแล้วบางทีก็ส่งผลเสียต่อชีวิตด้วยเช่นคนที่เคยประสบความสําเร็จนะมีบ้านหลังใหญ่นีมีรถราคาแพง แล้วก็มีชีวิต ท, ที่รู้ราสุขสบายก็ไปเพลินกับมันแล้ววันหนึ่งธุรกิจล้มละลายต้องถูกยึดนะในสินมากมายไม่มีเงินจ่ายก็ต้องยึดนะยึดบ้านยึดรถพอไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นะแล้วยิ่งตัวเป็นข้าราชการด้วยนะเป็นข้าราชการระดับสูง C7C8C9 ทำธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจลมละลายเคยไปไหนก็ยื่นหน้านะว่ายืดอกนะว่าฉันเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็มีฐานะดีมีรถนั่งรถเบนซ์นะอยู่คลื่สหาดก็ไปลงยึดในสิ่งเหล่านี้พอจะถูกยึดเข้าทำใจไม่ได้ฉันเป็นข้าราชการระดับสูง จะไปอยู่บ้านเช่าจะไหวเลิกรถก็ต้องถูกยึดไปต่อไปก็ต้องนั่งแท็กซี่ทำใจไม่ได้หรือว่าจมไม่ลงทำยังไงนะฆ่าตัวตายอันนี้เราเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณานะผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาคือมันไม่ใช่เป็นแค่พิษที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์นะแต่มันสามารถทาให ทำร้ายตัวเองได้แต่ถ้ามองว่าเออมันก็ธรรมดาของผู้นี้มาแลว้วก็ไปมันไม่เที่ยงเป็นข่ายการระดับสูง48 49นะอยู่บ้านอยู่ห้องแถว ม, มันจะเป็นอะไรไปนะไม่มีรถเบนซ์นนะนั่งรถแท็กซี่หรือแม้แต่ขี่มอเตอร์ไซค์จะเป็นอะไรไปพอรู้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้เราว่า ผลในความดีย่อมไม่เป็นพิษแก่ผู้พิจารณาเมื่อไม่เป็นเมื่อพิจารณาก็ทำให้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทเท่คือร่วมไม่เที่ยงนร่วมมันไม่ยั่งยืนเต็มใจไว้แล้วอันนี้ก็ลวมถึงสังขารร่างกายด้วยมันให้ความสุขกับเรามันให้กําลังวังชากับเรามันทําให้เราภาคภูมิใจในหน้าตาของเราไปที่ไหนแล้วก็ไม่อับอายในรูปร่างหน้าตา ยิ่งมีเสื้อผ้า น, นาผมสวยนี่ก็ก็ยิ่งภาพปูมใจก็ต้องพิจารณานะว่าของนี่มันก็ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมต้องสลายไปพอมันเสื่อมสลายไปได้วยความแก่ด้วยความชราหรือด้วยความเจ็บป่วยก็ไม่ต้ทุกข์ร้อนอะไรถ้ามาใชงคนเราเนี่ยนะรักสุขเกลียดทุกข์ทําไมรักสุขก็เพราะว่าเห็นว่าสุขมันดีทําไมเกลียดทุกข์เพราะห็นว่าทุกข์มันไม่ดี แต่สิ่งที่พระเจ้าสอนนี่คือสอนให้เห็นว่าในสุขเนี่ยนะมันก็ไม่น่ารักนะมันก็มีโทษส่วนในทุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เลวร้วายนะมันก็มีประโยชน์นะพระเจ้าเคยตัดว่าเนี่ยแม้ประสบทุกขนะ์ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ ก, ก็หมายความว่าสุขนี่มันก็อยู่ในทุกนั่นแหละและทุกก็อยู่ในสุขะใครที่หลงไหลในสุขพระเจ้าก็เชื่อเห็นทุก ซึ่งมันซ่ออยู่ในสุขใครที่เกลียดทุกผู้เจ้า ก, ก็ชี้เห็นว่าในทุกเนี่ยมันมีสุขอยู่นะไม่ต้องเกลียดเฉนั้นถ้าเรามองมองบวกมองลบเนี่ยและมองบวกอย่างที่ผู้เจ้าว่าเนี่ยก็เวลาเจอสุขก็ไม่รักนะเฉยๆเจอสุขก็ไม่รักเจอทุกก็ไม่เกลียดลองคิดดูดีดนะที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราไปรักสุขเกลียดทุกนะพอเราักมันแล้วรักสุขแล้วพอสุขมันเจืองใจ เจือจางไปหรือพอก็ทิ้งเราไปเนี่ยเหมือนก็เรารักใครสักคนแล้วก็ทิ้งเราไปอาจจะจากไปหรือจากตายก็แล้วแต่เกิด อ, อะไรขึ้นนะทุกเลยนะโอ้อกตรมเลยอันนี้เราผิดหวังผิดหวังเพราะว่าไปรักสิ่งที่หรือไปรักคนที่เขาไม่รักเราแล้วความสุขเป็นอย่างนี้นะเรารักสุขนะแต่สุขไม่รักเรานะ สุขเนี่ยพร้อมจะชิงหนีจากเราไปทุกเมื่อเลยทุกคนอยากได้สุขแสวงหาสุขแต่สุขเนี่ยมันจะแต่หนีเราไปผู้คนแสวงหาความสุขแต่ผิดหวังเพราะว่าไม่พบความสุขสักทีอันนี้พราะรักสุขเนี่ยเหมือนกับรักผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงไม่รักเราเนี่ก็ทุกหรือว่าเขารักเราประเดี๋ยวปะดาแล้วเขาก็ทิ้งเราไปไอความสุขเป็นอย่างนงั้นนะความสุขทางโลกนะ เราลักสุกแต่สุกไม่รักเรานะส่วนทุกเนี่ยเราไม่ลักเราไม่ลักทุกนะเราเกลียดทุกนะแต่ทุกเนี่ยมันชอบมาหาเราเหลือเกินมันมาตามตื้อเรานะเหมือนแม่ค้าเนี่ยมอกแม่ค้าที่อินเดียเนี่ย ไ, ไปอินเดียนี่นะโอ้ไปพาราณสีไปพุทธคยาเนี่ยแม่ค้านี่ตามตื้อมากเลยให้เราก็ลำคาญ น, นะแต่ว่าแม่ค้าก็ยังมาตามเด็กขอทานก็เหมือนกัน ยิ่งอยากผักไสเนี่ยเขาก็ยิ่งตื่นความทุกข์เป็นอย่างนั้นนะคนที่เกลียดทุกข์นะจะเจอปัญหาก็คือทุกข์มันชอบตามตื่นก็ยิ่งลาคาญยิ่งระอายิ่งเป็นทุกข์และพอมาอยู่กับเราเนี่ยมันก็ไม่ยอมจากไปง่ายๆเนะ่ยนี่เพราะอะไรเพราะว่าเกลียดทุกขนะ์เนี่ยพอเกลียดทุกข์ก็เลยก็เลยเจอดีซะเลยแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมนึงว่าสุขเนี่ยมันก็ มันเจอไปด้วยทุกนะนี่เรามองลบมองลบสําหรับความสุขมองสุขด้วยสายตาที่เป็นลบเราก็จะไม่หลงเชื่อมันมากเราก็จะไม่ลักมันมากเราก็จะไม่เสียเวลาไปตามตื้อความสุขเหมือนกับที่ตามตื้อหญิงสาวหรือชายหนุ่มและถึงเวลาที่สุขจะทิ้งเราไปเราก็ไม่ทุกนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อินังขังขอบเลยเขาอยู่แล้วเนะี่ยส่วนทุกเนี่ยจะมาตามตื้อยังไงเราก็ พอเรามองบวกแล้วก็ต้อนรับเขาอย่างที่หลายคนบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งอาจารย์กมพลบอกขอบคุณที่พิการนะเพราะพิการทําให้เห็นความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์ทำให้รู้จักทางพ้นทุกข์นะอันนี้รวมถึงอารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนะเช่นความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความโกรธนะถ้าเรายิ่งผลักสายเขานะเพรเราเกลียดเขานะเขายิ่งหลังควานเรายิ่งรบกวนเราสัางเกตไหม ยิ่งไม่ชอบไอ้พวกนิวรนี่มันจริงมากลัวลราใหญ่แต่พอเราต้อนรับเขาจะมาก็มาฉันไม่ว่าอะไรคือวางใจเป็นกลางกับนิวรนทั้งหลายพอทำใจเป็นมิตรกับนิวรนเหล่า น, นี้นิวรนเหล่านี้ก็กลายเป็นมิตรกับเรามันก็ไม่มากวนไม่ค่อยมาตามตื้อเราเท่าไหร่ถึงเวลาก็ไปโดยที่เราไม่ต้องขับสายไล่ส่งส่วนความสุขเนี่ยสุขจากสมาธิเช่นปิติความสงบ ถ้าเราลักเข้าเมื่อไหร่นะเราแย่เลยนะเพราะว่าพอเราลักเขา้าเราก็อยากจะให้เขามาหาเราบ่อยๆเมื่อวานนี้เขามาหาเราแล้วความสงบความปิติวันนี้ก็อยากให้เขามาอีกแต่พอเขาไม่มาเนี่ยเราก็ชังก็ชังเง้อคอมองหาเมื่อไหร่จะมาสักทีนะความสงบนะรออยู่นั่นแหละไม่มาก็เริ่มเป็นทุกข์นะบางคนก็เริ่ ม, มญหงุดหงิดละเพราะว่าผิดหวังอันนี้เพราะว่าลักสุกนะ พอสุขไม่มาก็เลยทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราลองทําใจนะสุขเราก็ไม่รักเพราะเราเห็นโทษของมันส่วนทุกเราก็ไม่เกลียดนะเพราะเราเห็นข้อดีของมันอันนี้เราก็จะปฏิบัติได้อย่างสุขสบายอย่างรู้เท่าทันและชีวิตของเราก็จะราบรื่นนะไม่ว่าเราเจออะไรก็ตามแต่ใจเราก็เป็นปกติได้เราข้ามเนี่พูดกันท่านนี้นะครับ